จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้ก็จะบรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจในธรรมสืบต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็จะได้บรรยายในหัวข้อว่ า, าปัรญกาปฏิปท า, าคือข้อที่ปฏิบัติไม่ผิดสามอย่าง อปันกาปฏิปทาข้อที่ปฏิบัติไม่ผิดนั้นก็คือหนึ่งอินริยสังวรก็คือสำรวมอินรี่หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆประการที่สองโพชเนมัตตัญยุตา รู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะประการที่สามชาคริยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อชำระจิตใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนะทั้งสามประการนี้ได้ชื่อว่าปันนกะปฏิปทาคือข้อที่ปฏิบัติไม่ผิด เป็นข้อที่ผู้ศึกษาพึงทราบว่าทำสามประการนี้ถ้าหาผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติแล้วผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ผิดแบบแผนไม่ผิดธรรเนียมและไม่ผิดทํานองคลองทำนะไม่ผิดทานองครองทำคือหมายถึงว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่ผิดพลาดนะ เมื่อปฏิบัติไม่ผิดทาดทั้งในทางโลกทางธรรมแล้วก็จะไม่เสื่อมเสียหายแก่ตนและแก่ผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นก็ย่อมจะอำนวยประโยชน์ความสุขให้เกิดแก่ตนและแก่ผู้อื่นมีแต่ความเจริญรุง่งเรืองสามารถจะนําให้บรรลุสิ่งที่ตนปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปได้ฉะนั้นในธรรมสามประการจึงได้ชื่อว่าข้อที่ปฏิบัติไม่ผิดนะเป็นข้อที่ปฏิบัติไม่ผิดทีนี้ ก็จะอธิบายให้กว้างขวางออกไปว่าที่ว่าปฏิบัติไม่ผิดนั้นไม่ผิดอย่างไรอในข้อแรกที่บอกว่าอินทรียสังวร น, นะอินทรียสังวรว่าสำรวมอินทะรียคำว่าอินทรีในที่นี้หมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอินทรีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือร่างกายเนี่ยอินทรีย์ร่างกายที่เ อ, อ ปรกอไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินรี่หกนี่นะ <c oughs> เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นบอ่อเกิดแห่งสุขด้วยนะทุกข์จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกข์จะหมดไปก็หมดไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นคนที่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ มิให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆแล้วผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะความยินดีก็ดีความยินร้ายก็ดีสองอย่างนี้มีรากฐานที่เกิดมาจากอากุศลธรรมนะมาจากอากุศลธรรมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องทําลายล้างกุศลธรรม นะเป็นเครื่องทำลายล้างกุศลธรรมฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งนะและจำเป็นอย่างที่สุดที่เราควรจะหักห้ามนะหักห้ามจิตใจไม่ให้เกิดความยินดีและไม่ให้เกิดความยินร้ายนะเมื่อตาเห็นรูปโดยทั่วทั่วไปก็คือว่าต้องดูว่าโรคนั้นสวยหรือไม่สวยนะถ้าโรคนั้นสวยก็เกิดความพอใจ เป็นอิทถารมณเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจถ้ารูปนั้นไม่ดีไม่สวยก็เป็นรูปก็เป็นรูปที่ตนเองไม่ปรารถนาเป็นอนิธารมณ์นะเป็นอนิธารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอยากทำลายนะอยากทำลายเอา้าเสียงก็เหมือนกันนะเมื่อหูฟังเสียงก็เราก็จะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาว่าเสียงนั้นดี เสียงนั้นเพราะเสียงนั้นไม่ดีเสียงนั้นไม่เพราะถ้าเสียงดีเสียงเพราะก็เป็นอิทธารมณเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจถ้าเสียงไม่ดีก็เกิดอนิถารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอกลิน่นจมูกดมกลิน่นเราก็ปรุงต่อไปอีกว่าถ้ากลิ่นนั้นดีหอมอืมไอ้หอมนี่บางครั้งก็ ไอของหอมบางอย่างนี่อาจจะไม่ถูกกับคนได้หลายคนอาจจะถูกเป็นคนคนไปก็ได้นะอาจจะถูกเป็นคนคนไปของอย่างเดียวกันนั้นอาจจะไม่ได้ถูกใจคนอื่นเสมอไปบางครั้งเราว่าหอมแต่คนอาจจะว่าเหม็นก็ได้นะอันนี้มันก็ไม่แนะ่นะมันก็ไม่แนะ่แต่เมื่อพูดรวมๆเลยว่าคนเราทุกคนนะ่ะชอบกลิ่นหอมนะชอบกลิ่นหอมไม่มีใครอชอบกลิ่นเหม็นนี่ทีนี้การที่เราชอบกลิ่นหอม แน่นอนที่สุดมันก็เป็นอิทธาม form, ลมเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาเป็นกลิ่นที่น่าพอใจถ้ากลิ่นนั้นไม่หอมกลิ่นนั้นไม่สบายใจรู้สึกว่ามันขัดจมกูกมันคัดจมูกอันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอนิธาลมเป็นกลิ่ น, น, นที่ไม่น่าพอใจรสลิ้น ลิ้นมีหน้าที่ในการลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะถ้าหากว่าเป็นรสที่เราพอใจก็เป็นรสเป็นอนิธารลมนะเป็นอนิฐารสพขอประสานโทษเป็นอิฐารสเป็นรสที่พอใจเป็นรสที่น่าปรารถนาแต่ถ้าหากว่าเป็นรสที่เราไม่พอใจก็เป็นอนิธารถสหรือเป็นอนิธารณมนะเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นรสที่เราไม่ปรารถนา เป็นรถที่เราไม่พอใจปวดทับพระนะหรือว่าการสัมผัสตัวนี้นะปวดทับพนะปวดทับอารมณ์ฮะหมายถึงว่าการกระทบการสัมผัสถ้าการสัมผัสก็คือความเย็นร้อนอ่อนแข็งฮนะนิ่มนวลถ้าหากว่าเราเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาอ่านะมันก็เกิดอิทธารม่มคือเป็น เป็นอารมณ์ที่ที่เราพอใจเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราสัมผัสนั้นอาจจะชอบร้อนอาจจะชอบอ่อนอาจจะไม่ชอบแข็งอแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตนชอบอย่างไรก็ทําให้เกิดอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาแต่ถ้าไม่ชอบก็เป็นอนิธารมเป็นผลสัมสที่เราไม่พอใจว่ามันแข็งเกินไปมันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปอ แต่บางคนก็บอกว่าพอดีนะไม่ร้อนไม่เย็นนะชอบอุนอ่นๆแข็งก็ไม่ชอบอ่ อ, อนเกินไปก็ไม่ชอบชอบนิ่มนิ่ม อ, อย่างนี้มันก็มีอารมณ์ดีไม่ดีอยู่เรื่อยอทีนี้ทำมาอารมณ์บางครั้งเราก็นึกคิดในทางที่ดีนึกคิดในทางที่เรียกว่าที่เราว่าดีก็คือบางครั้งก็เราก็ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่แหลนะ รู้สึกว่านึกคิดอย่างนี้นึกสร้างวินึกวิตกวิจารไปอ่าในเรื่องกรารมาวิตกอะไรอย่างเนี้ยพวกนี้ก็เราก็เกิดเลินจเจิใจก็ถือว่าเป็นอิทธารมแต่ถ้าเรานึกในทางที่ไม่ดีก็เป็นอนิจธารมฉะนั้นอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีนี่แหละที่เราพอใจนั่นก็เป็นอิทธารมณ์ไม่พอใจก็เป็นอนิจธารมณนี่แหละมันเป็นฝ่ายอกุศลและธ เป็นฝ่ายอกุศลแลธรรมซึ่งจะทำลายตัวที่เกิดความกุศลแธรรมคือความดีทุกอย่างการที่เราไปพอใจในอารมณ์ฝ่ายดีที่อิทธารมณ์นั้นทำให้เรานั้นเกิดติดนะติดในในสิ่งที่เราปรารถนาติดในสิ่งที่พอใจเราก็ต้องแสวงหานะแสวงหาอยากให้ได้อย่างนั้นอยากให้มีอย่างนั้นอยากให้ได้รูปอย่างนั้นอยากให้ได้เสียงอย่างนั้น อยากให้ได้กลิ่นอย่างนั้นอยากให้ได้รถอย่างนั้นนี่เมื่อเราสแวาสแวงหาไม่ได้ด้วยสุจริตแน่นอนที่สุดเราก็ต้องทำในทางสุจริตนะก็ต้องสแสวงหาในทางสุจริตเมื่อเราไม่ได้ในทางสุจริตแน่นอนที่สุดเราก็ทำโดยการต่างๆบางครั้งก็ถึงกับต้องมีการมีการจี้ล้นค้าหรือก็าทาอนาจารกันอันนี้ก็มีอยู่ให้เห็นในปัจจุบันมากมาย นะอันนี้เราถือว่าเป็นการติดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะเรียกว่าติดซะจนเกินไปนะนี่มันก็เป็นอกุศลธรรมทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ที่เราไม่ชอบนะไอ้ที่เราไม่ชอบมันก็เกิดไอ้ตัวโทสะนะเกิดตัวโทสะคิดทําลายไอ้ตัวชอบนั้นเกิดโลภนะเกิดโลภเกิดราาักเกิดความอยากได้เกิดความกําหนัดนี่และไอ้ตัวไอ้ตัวที่เราไม่ชอบ เรียกว่ารูปใหม่ดีเสียงใหม่ดีะเิ่นไหม่ดีรถไหม่ดีการสัมผัสไหนที่ใหม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ชอบเราก็อยากจะผลักให้มันออกไปจากเราแต่บางครั้งแทนที่ว่าเราจะอยู่เฉยเฉยเราก็กลับไปด่าไปว่าะไปตำหนิติดชิ้นินทาทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ว่าทําให้เราเดือดร้อนและที่เราว่าไม่ดีนะคนอื่นอีกหลายๆคนอาจจะว่าดีก็ได้นะแต่ว่าเราไปเกิดโทสะเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่พอใจบางครั้งก็มีการแช่งชักหักกระดูกอย่างนี้ก็มี นี่แหละก็ถือว่าเป็นโทสะมันก็เป็นอกุศลธรรมนะเป็นอกุศลธรรมหรือถ้าหากว่าในในในอย่างอื่นก็เหมือนกันเท่นว่ารูปเสียงกลิ่นในทางกลิ่นเหมือนกัาถ้าว่ากลิ่นดีเราก็แสวงหากลิ่นไม่ดีเราก็ไม่แสวงหาเกิดอารมณ์ไม่พอใจ เะนั้นทั้งสองอย่างนี่แหละเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เรานั้นเกิดความโลภนะเกิดความโกรธเกิดความหลงอเกิดราคะความกําหนัดอความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสอถ้ามันไม่ดีเราก็เกิดโทสะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในกลิ่นในรสเมื่อเราทําตามที่ตนปรารถนาจะเป็นดีเป็นร้ายก็แล้วแต่ก็เกิดโมหะคือ ความหลงหลงไม่รู french, biết, ina, biết, at, trendy, Morris, ้ find, ตามสภาวะความเป็นจริงไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงของสังขารทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นสร้างอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ก่รังยั่งยืนเป็นอย่างนี้ทั้งสิ่งที่มีใจครองและไม่มีใจครองสิ่งมีชีวิตก็เป็นอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่กีรังยั่งยืนสิ่งไม่มีชีวิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นะให้สังเกตดูของกินของใช้ต่างๆบ้านตึกร้า บ, บ้านช่องเนี่ยอ่ามันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีการเสื่อมสลายไปนะผุพังไปสุดที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่นะเป็นธรรมดาต่างแต่ว่ามันจะเร็วหรือช้านะมันจะเร็วหรือช้ามันไม่จากเราเราก็จากมันต้องซักวันหนึ่งแน่นะเรียกว่าจึงมีคํากลอนบทหนึ่งได้บอกไว้ว่าอันนี้จังสังขาร น, นั้นไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหลออนี่อันนี้มันเห็นชัดอยู่แล้ ถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้เราไม่ติดในสองอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากฉะนั้นจึงบอกว่าทุกจะเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นทางตานะเกิดขึ้นทางหูนเกิดขึ้นทางจมูกเกิดขึ้นทางลิ้นะเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางใจถ้านอกจากทางนี้แล้วทุกก็ไม่เกิดขึ้นะเมื่อทุกไม่ ทุกไม่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดแต่ความสุขเนี่ฉะนั้นเจ้านักราตรท่านจึงได้สอนไว้ว่าให้เราทุกคนนั้นรู้จักปิดหูปิดตาปิดปากนะต้องรู้จักที่ให้ท่องเป็นคํากรอนท่านสั้นไว้ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายเนี่ถ้ารู้จักปิดหูปิดตาปิดปากแล้วก็สบายนะแต่ถ้าไม่รู้จักนั่งไม่รู้จักปิดนะไม่สบาย ถึงคราวปิดควรปิดถึงคราวเปิดควรเปิดาจะปิดจะเปิดนั้นให้เหมาะสมกับการละเทศะให้ถูกกับบุคคลแล้วประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้นะักปราชญาตะวันออกของจีนนะของเมืองจีนเขาจึงได้ทําเป็นปิิศนาแกะเป็นรูปหินอ่อนบ้างเป็นรูปลิงสามตัวบ้างหรือเป็นภาพวาดลิงสามตัวนะตัวที่หนึ่งลิงตัวที่หนึ่งก็ในรูปเอามือไปปิดหูสองหู อเล็งตัวที่สองก็คืออปิดตาสองตาเล็งตัวที่สามก็ปิดปากว่าคนเราน่ะมันมีจิตใจเหมือนกับเล็งคนเราก็เหมือนกับเลิงใจมันดิ้นรนกวัดแกงนะพันธนังอพันธนังจะบาลังจิตตังธุรัตขังทุนนิวาระยังนว่าจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากนี่อพันธนังจะบาลังจิตตัง นะดิ้นรนกัดแกงรักษายากข้ามยากนี่ฉะนั้นเมื่อเราเราทุกคนมักจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จิตของคนเรานี่รู้สึกว่ามันกวดแกงอยู่ตลอดเวลามันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่เราเรานั่งอยู่ในห้องแอร์มันก็นึกออกไปในห้องแอร์ก็ได้นะนึกไปจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยหมดที่จะนึกในประเทศไทยคิดไปถึงต่างประเทศคิดไปถึงได้ทั่วโลกนอกโลกก็คิด น, ะนี่จิตของเรา แต่ถ้าคนรู้จักสัมรวมอ่ากายว่ า, จาใจใจสัมรวมตาหูจมูกเล้นายใจแน่นอนที่สุดก็เท่ากับเราปิดกัน้นะปิดกั้นไม่ให้อารมณ์ต่างๆมันเข้ามารบรวมจิตใจของเราไม่ให้มันมาอบีบบังคับจิตใจของเราให้เกิดความขับแท้นะให้เกิดความทุกข์อ่าเพราะอารมณ์เหล่านี้มันมาเบียดเบียนนะมาเบียดเบียนทําให้ใจของเราตกเป็นทาสของมัน อ่จะต้องทําอะไรตามอําเภอใจตามที่ปรารถนาอันนี้ก็จะมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกมีแต่ความเดือดร้อนอันนี้นะักปราชญ์ท่านได้เปรียบไป ว, ว่าให้เปรียบไว้ว่าตาคนเราเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับท่านเปรียบไว้ว่าตาเนี่ยมันเปรียบเหมือนงูนะตาเปรียบเหมือนงูธรรมดางูเนี่ยชอบเข้าในที่รกรักนะชอบเข้าในที่มืดอ่านะชอบเข้าในโพรงไม้ในจอมปลวกนะ ที่เป็นรูเป็นโพรงว่าอย่างนั้นเถอะนี่งูธรรมดาชอบอย่างนั้นไอ้ที่ลองลอในงูไม่อยากไปนะพวกอสา ร, รพิษพวกงูไม่อยากไปให้เราสังเกตดูสิเราอยู่กันในเมืองหลวงใจกลางเมืองหลวงเนี่ยเราจะไม่ค่อยพบงูนะแต่ที่ไหนที่มีที่รกนะมีที่มืด อ, อมีที่เป็นโพรงมากๆแล้วก็มักจะมีงูเงี้ยเขี้ยวขออาศัยอยู่นะอาศัยอยู่ตาคนเราเหมือนกันเหมือนกับงู ที่ว่าเหมือนกับงูก็คือว่าคือว่าชอบอยู่ชอบดูในที่มืดมืดชอบดูในที่รกรกนะชอบดูในที่แคบแคบที่มันเป็นรูเป็นโพรงอเป็นหลองอชอบมองอย่างนั้นอท่านสังเกตดูชอบเหลือเกินฉะนั้นจึงมีคําคําหนึ่งที่บอกว่าถ้ามองอถ้ามองชอบแอบดูเราชอบแอบดูกันอเรียกว่าถ้ามอง รักแอกดูกันอะไรกันเนี่ยบางคนดูก็ตั้งถึงกตาแตกก็มีอ่ามอดไปตำไตถุนตึกตาได้ถุนบ้านผลที่สุดก็ถูกไฟชอ็อตตายก็มีบางคนก็ปีนเข้าไปถึงกั็ลัตตกลงมาก็มีนี่บางครั้งเขาจับได้อก็มีอะไรเนี่ยตั้งๆนานานี่แหละจึงบอกว่าไอตาเรามันซอกแซกเรียกว่าตาซอกแซกแล้วก็แปลกเหมือนกัน ในตาของคนเราเนี่ยที่บอกว่าชอบดูในที่มืดท่านก็กำลังดูยางโรงภาพยนตร์หนังละครเนี่คนเราชอบดูนะในพวกภาพภาพยนตร์ที่เขาจะฉายให้เขาต้องปิดไฟบังคับไฟให้ไปเฉพาะที่ตัวตัวภาพยนตร์กันนอกนั้นต้องปิดหมดเลยนะเนี่ยเราฉะนั้นเราจะต้องเสียเงินเข้าไปดูด้วยมีประตูเข้าประตูเดียวประตูออกประตูเดียวแล้วเข้าไปเข้าเปล่าๆไม่ได้ต้องเสียเงินเลยนี่ฉะนั้ น, นพวกเราเนี่ยจึงว่าชอบดู ชอบไปเสียค่าดูนะไอสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นพิษเป็นภยนัยในเราไม่ค่อยอยากดูนะไม่ค่อยอยากดูเรามัวแต่ไปดูคนอื่นแต่ไม่มาดูตัวเองนะชอบไปดูคนอื่นไม่มาดูตัวเองมันจึงเกิดความทุกเกิดความเดือดร้อนนี่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทุกคนมามองดูตัวเองกันนะแน่นอนที่สุดเราก็จะเกิดความเบื่อนหน่ายในสังขารได้นะในสังขารได้เพราะว่าสังขารของเรานี่มันเป็นที่ ประชมของโรคต่างๆนะตรวจโรคภัยไข้เจ็บ เ, เบียดเบียนต่างๆแม้บางครั้งก่อทาให้ร่างกายปิคนติการรู้สึกบางครั้งก่อทาให้เกิดความอ่าุปสรรคเกิดความทรมานอย่างยิ่งใหญ่บางครั้งก็ถึงกับเสียชีวิตเลยเนี่ยมันน่าเบื่อหน่คนอื่นก็เหมือนอกับคนเราเหมือนกันเราก็เหมือนเขาเขาเหมือนเรานะแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณากันในแง่นีนะ้เราไปเห็นกันในเพียงโรกโลกนะเห็นเพื่อให้เกิด อความกำหนับนะอันนี้มีแต่ทางเสียนะมีแต่ทางเสียฉะนั้นจึงบอกว่าตาของเราจึงว่าเปรียบเหมือนงูอย่างนี้นะมันซอกแสกอย่างนี้ให้สังเกตดูสิบางครั้งเขามีอตามวัดตามวาเขามีเทศมีธรรมกันเนี่ยอมีการนั่งสมาธิกันเนี่ยแล้วเขาก็เปิดให้ฟรีด้วย น, ะ, นะไม่ได้บังคับอะไรเราก็ไม่อยากไปนะไม่อยากไปดูไม่อยากไปฟัง ไม่อยากไปฟังหรือว่าภาพยนตร์เรื่องไหนถรามัจะมาฉายเรื่องเป็นธรรมะแล้วก็ภาพภาพยนตร์เรื่องนั้นขาดทุนนะขาดทุนแต่ว่าถ้าฉายเรื่องความรักความใคร่เรื่องการตีกันทะเลาะเบาะแว่งกันด่า ก, กันแล้วก็รู้สึกอิจฉาเสียาจกันแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบนี่แหละทําให้เยาวชนของเรานี้จึงสร้างนิสยัยเพาะนิสัยมาตั้งแต่เด็กอไปเอาอย่างหนังมามั่งอดูแล้วก็เพราะว่ามันมีความรักกันก็จึง พอโตหน่อยก็จึงได้มีการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องสังคมนี้มากนะมีการจุดฆ่าอาจารย์กันมากขมคืนหรือว่าขมคืนค่าฆ่าขามคืนอะไรนี้เยอะเยอะเพราะมันเป็นอย่างนี้อนะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการทะเลาะเบาแวงกันอิจฉาเสียกันเนี่ยสังคมเรามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงฝากท่านผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดนะว่าตานั้นเปรียบเหมือนโงู อาการที่สองหูเขาเปรียบเหมือนจระเข้นะหูนี่เปรียบเหมือนจระเข้ธรรมดาจระเข้น่ะนะมันชอบอยู่ที่น้ําเย็นๆนน้ําใสๆแล้วก็ชอบอยู่วังวนนะไอ้ที่น้ําที่ไหนที่มันที่มันไม่ใสน้ํามันขุนจระเข้ไม่ชอบอยู่ขอให้ท่านให้ท่านศึกษาดูจระเข้ไม่ชอบอยู่ในอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่นี่ที่ไหนเสียงมันเอ็ดอื้ออึงนี่จระเข้ก็ไม่ชอบ นะจระเข้ไม่ชอบแต่ว่าเราอาจจะไปพบไปเจอในที่ที่กล่าวนี้ได้ก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นทางผ่านไปนะเป็นทางผ่านแต่จระเข้จริงๆนั้นก็ชอบอยู่น้ำนิ่งๆนะเป็นวังวนให้สังเกตดูตามหนองคลองบึงที่มีน้านะขังอยู่ตลอดนะน้ำลึกนะน้าใสคนเราเหมือนกันนะหูคนเราเหมือนกัน ชอบฟังชอบฟังเสียงเย็นเย็นชอบฟังเสียงเคราะห์ชอบฟังเสียงใสใส่ะนักร้องคนไหนเสียงคลุมเครือนี่เราไม่ชอบนะเสียงคลุมเครือไม่ชอบนะเสียงไม่มีเสน่ห์ะนะท่านนะเสียงไม่มีเสน่ห์นะแต่ก็มีนักร้องบางคนซึ่งได้รับฉายาว่าแหบมหาเสน่ห์นะได้รับฉายาว่าเสียงแหบมหาเสน่ห์เช่นสายยันสัญญาเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นนักร้องที่เสียงแหบมหาเสน่ห์นะ แต่โดยทั่วๆไปแล้วคนเราไม่ชอบนะเสียงคลุมเครือเสียงไม่ชัดเนี่ยเสียงแตกกัง น, นี้ไม่ดีเราชอบฟังเสียงใสๆนะเสียงเย็นๆแหมอ่ อ, อนหวานพอเพา ะ, พ, า ะ, ะพูดทันขาทันขาพูดพียังงั้นน้องยางนี้แลแ้วแหมรู้สึกว่ามันจับจิต จ, นะ จ, จับใจนะจับจิตจับใจไม่มีใครหรอกที่มาจะมาชอบเสียงกับโชคโคกหักนะไม่ชอบหรือคนจะรักกันนี่จะมาพูดกันว่าขอประทานโทษแหมกูนี่ รักมึงอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะคงจะไม่มีโอกาสแน่นะชาตินี้ธรรมชาติคงจะไม่ได้รักกันแนะ่ในคนจะรักกันนั้นก็จะต้องพูดเพราะมากนะเพราะมากพี่อย่างนั้นน้องอย่างนี้แหมรู้สึกว่าสรรหาเอาแต่คาดีๆเข้ามาหากันทางนั้นเลยนะโดยมากเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อนี่มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติจางหนึ่งของหูเรานะแต่บางครั้งก็นั่นแหละไอ้การที่เรา ชอบฟังเสียงเย็นเย็นเสียง เ, งยงเงยงพราะๆนี้บางครั้งมันก็เป็นพิษเป็นไฟได้นะมันเคลือบแคลนเอาได้ไอ้ของที่เย็นของที่หวานหวานนบางครั้งมันก็ไม่มีความจริงนะแต่ถ้ามันเย็นหวานมีความจริงมันก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์ฉะนั้นจะบอกว่าหูคนเรานี้จึงเปรียบเหมือนกับจระเข้นะจระเข้มันชอบน้ำใสชอบน้ําเย็นนะหูคนเราเหมือนกันชอบเย็นเย็นชอบเพราะๆถันขาถันขาคุณคะคุณขา น้องอย่างนั้นพี่อย่างนี้เนี่ยอคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยรู้สึกว่าฟังแล้วมันก็สบายหูฟังแล้วมันเรื่นหูฟังแล้วมันจัดจิตหูนะสุนทรผู้ท่านจึงบอกว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายอันหวานอื่นอันหวานอื่นหมื่นแสนพอยังแคลมายอ่า น, ะนี่เรียกว่าไอหวานวัตถุนะมันยังยังเหือดหายไปนะเหลือดหายไปได้ ไอ้ไอ้อยตาลหวานลิ้นเราสินซะนะเรียกว่าหวานกันที่ลิ้นแค่นั้นเองชั่วเดียวเดียวกินไปหมดแล้วก็ก็หายหวานหายอร่อยแต่ว่าลมปากหวานหูไม่รู้หายนี่ไอ้ลมปากพูดในถ้าพูดเพราะเพราะน่แมมันหวานข้ามเดือนข้ามปีจำได้สิบปีไปก็ยังจำได้ว่าเขาพูดอย่างไรยี่สิบปีก็จำได้นี่มันเรียกว่าไอ้ความหวานของคําพูดนี้ไปเก็บไว้ที่ใจนะไปเก็บไว้ที่ใจ แต่ก็ตรงกันค้าบบางครั้งก็ไอ้คําไม่หวานนี่แหละคํากับโชคโครค้างมันก็ไปสร้างความเจ็บใจไม่รู้หายอีกเหมือนกันที่ว่าหวานจนตายคือเพราะคําเน็บให้เจ็บใจนะก็คือว่าพูดคําเน็บแหนมพูดอิจฉาเสียเนี่ยทําให้เจ็บใจจนกระทั่งตายได้ปรอมใจนะนี่เป็นได้เหมือนกันฉะนั้นก็จึงบอกว่าจะพูดจาจงวิเคราะห์ให้เหมาะความนะ เป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะคิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงวิเคราะห์ให้เหมาะกวสมนะนี่เรียก ว, ว่าพูดจงวิเคราะห์ดูพูดถ่ายถูกกาลเทศะพูดให้ย ถ, ถูกบุคคลอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากนะนี่เป็นในข้อที่สองมาในข้อที่สามจะโมเขาเปรียบเหมือนกับนกนะธรรมดานกไม่ชอบอากาศดีๆนกในส่วนมากก็อยู่ในที่สูงนะก็เว้นอยุ้ นกที่อยู่ตําในหนองคลองทานอนกที่อยู่ทําในหนองคลองทานบางชนิดก็อถึงเวลาหลับนอนก็ต้องขึ้นไปอยู่บนต้นหมากรากไม้นะในที่สูงอนะชอบอากาศดีๆคนเราเหมือนกันจมกูกเนี่ยชอบกลิ่นหอมๆนะถือว่ากลิ่นหอมนั้นเป็นกลิ่นที่ดีนะแต่บางครั้งไอ้กลิ่นหอมนี่มันก็ทําลายจมกูกคนให้เสียไปได้เหมือนกันอันนี้ก็อ่าเป็นประโยชน์กับพวกนายทุน ก็พยายามปิดน้ําหอมหรือป like ิดเครื่องสำอางต่างๆให้กลิ่นหอมไว้เพราะคนเราถ้ากลิ่นไม่หอมก็ไม่อยากใช้นะไม่อยากใช้อยากทําตัวเองให้มีกลิน่นหอมอทําให้มีกลิน่นหอมเพราะว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองมีกลิน่นหอมแล้วใครเดินผ่านก็ย่อมจะติดกลิน่นนั้นนั้นสำหรับคนโง่คนผ่านก็ย่อมจะติดกลิ่นอนั้นเรียกว่าดักกันด้วยกลิน่นเนี่ยดักกันด้วยกลิน่นในสําหรับคนที่รู้ทันก็คงไม่ติดกลิ่นแต่คนไม่รู้ทันก็คงจะติดกลิ่น แต่คนทวนมากก็ติดเงินก็ทั้งนั้งแหะนะอันนี้แหละจึงทําให้ผัวเมียทะเลาะกันนะทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะว่าน้ําปลาขวดละสองบาทหกสิบเหรียญเงี้ยไม่มีจะ ก, กิดซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้แต่ว่าน้ําหอมขวดละร้อยสองรอยซื้อได้นะซื้อได้แต่น้ําปลาขวดละบาทสองบาทซื้อไม่ได้ถึงกับทะเลาะกันตีกันอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีฉะนั้นจึงบอกว่าจมูกนี่แหละเปรียบเหมือนนกนะเปรียบเหมือนนก ในอีกอย่างความหมายหนึ่งก็คือว่าธรรมดานกเนี่ยถ้าเราจับเอามันไปขังมันเนี่ยมันจมูกของมันจะค่อยๆไซ้์ําซี่โครงนะทาซี่กครงเช่นนกเขานกกระทานกคุ้มอะไรอย่างเงี้ยเวลาเอาไปขังมันไว้ในกรงเนี่ยมันจะเลาะเอาฟันเนี่ยเาจมูกของมันเจะเลาะซี่กครงอยู่ตลอดเวลาคนเราเหมือนกันจมูกนี่ก็ชอบซุกชอบไซ้ที่โน่นที่นี่อะไรหาสารพัดเนี่ยนะ บางครั้งก็ไซด์จนกระทั่งสลบว่างันเถอะจนกระทั่งสลบอืออันนี้ก็มีนี่แหละผมบอกว่าจมูกนะ่ะเปรียกเหมือนนกนะเปรียกเหมือนนกทีนี้ก็มาลิน้นะลินเขาเปรียกเหมือนกับสุนัขบ้านนะเปรียกเหมือนกับสุนัขบ้านท่านลองคิดดูดิพูดาายังภาษาไทยไทยเขาหมาไอนะหมาบ้านคนเราหรือหมาไทยคนเราเนี่ยไม่มีเกียรติเลยนะไม่มีเกียรติกินอาหารไม่ดี คือกินเศษอาหารที่เจ้าของเขาทิ้งแล้กระดูกกระดูกเป็ดกระดูกไก่กระดู ก, ลกดปลาไอของดีๆจะกินไก่เป็นซี่ตัวๆนี่หายยา่ะเพราะเจ้านายเขาก็ยังหา ก, กินย่ะเรื่องอะไรไอสุนัขในบ้านหมาในบ้านจะไปกินดีกว่าเจ้าของนี่รู้สึกว่ามันยากแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะที่หมาที่หมาหรือสุนัข ก, กินดีกว่าเจ้าของคืออะไรอันนี้ก็คือน้ําข้าวนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะหมดไปจะแล้ว อนน้ำข้าวเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายน้ำข้าวที่คนคนไ ด, ด้ก่อนเขาหุงข้าวเนี่ยเขาจะเรียกว่าหุงเช็ดน้านะนะฉะนั้นน้ําข้าวเนี่ยถือว่าเป็นยอดวิตามินนะเป็นยอดวิตามินของของข้าวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันกลั่นออกมาจากเมล็ดข้าวหมดแล้วมาเป็นน้ําข้าวฉะนั้นวิตามินนี่กลายเป็นน้าข้าวใน้าบ้านนั้นก็เวลาหุงข้าวก็เอาน้านั้น ใส่ลงในกระถางเอาไปให้สุนัข ก, กินเอาไปให้หมากินแต่ส่วนตัวเองนั้นกินมาเล็ดข้าวไอ้มาเล็ดข้าวนั่นแหละคือตากข้าวนะกากวิตามินนี่แหละเป็นเป็นความโง่ที่คิดไม่ถึงอย่างหนึง่งนะคิดไม่ถึงอย่างหนึง่งฉะนั้นอันนี้คนจีนนะคนจีนเขาถือมากเวลาหุงข้าวถ้าเช็ดน้ําแล้วก็น้ําข้าวทิ้งไม่ได้ต้องร้องเอาไว้นะเอาไว้ซดเอาไว้ดืม่มตอนท้าย นางงามของเราท่านผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> อาัสราองส์สกุลนางงามจั ก, กรวาลเขาไปสัมภาษณ์ก็คือว่าตอนเช้านี่ต้องดื่มน้ำข้าวทุกวั น, นเอาน้ำตาลใส่ไปหน่อยนึงเอาเกลือใส่ไปนิดหน่อ่เดิมร้อนๆคือมันรู้สึกว่าทำให้ผิวพรรณดีสุขภาพดีนี่ฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีผิวพรรณดีสุขภาพดีอาจจะได้เป็นนางงามก็เขาบ้างก็ลองๆเช้าๆก็ดื่ม ดื่มน้ำข้าวนะแต่เดี๋ยวนี้หุงไฟฟ้าแล้วหาน้ำข้าวยาก่านะหาน้ำข้าวย่ากขาถือว่าน้ำข้าวนั้นนะกลั่นมาจากวิตามินทั้งหมดในหม้อข้าวไปนะรวมจะหมดแล้วนี่เจ้าของก็เลยกินกินกากวิตามินนี่นี่เป็นความโง่ที่รู้เท่าไม่ถึงกัน น, ะนี่นี่จึงบอกว่าไอ้ที่สุนัขเราได้กินดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้สุนัขเราอดอยากมากนะตั้งแต่มีหม้อไฟฟ้านี่อดอยากเหลือเกินไม่ค่อยได้กินดีฉะนั้น จึงได้บอกว่าสุนัขบ้านเนี่ยโดยมากกาา็กินเศษอาหารกินเศษอาหารกินกระดูกเป็ดกระดูกไ ก, ก, ก, ก, ก่กระดูกวัวกระดูกควายมันก็เท่ากับว่ากินน้ำลายตัวเองนะกินน้ำลายตัวเองแทะไม่ออกกระดูกมากกว่ากินน้ำลายตัวเองเนี่ยที่เรากินข้าวเคี้ยวข้าวไปเนี่ย ข, ข, ขอให้ท่านฟังลองสังเกตดูหรือลองทดลองดูก็ได้เราเอาข้าวใส่ปากไว้แล้วก็เคี้ยวไปสักสองสองสามนาทีแล้วก็คายออกมา รู้สึกมันจะเป็นน้ำลายยืดเลยนะเป็นน้ำลายทางนั้นเลยเนี่ยเป็นน้ำลายมากเราจะเอาใส่ปากี่ใส่ไม่ได้บางๆที่ว่าน้ำลายนะมันก็เป็นของเราแต่เราจะใส่ไปเรากินไม่ลงนะกินไม่ลงนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าให้พวกเราเนี่ยกินน้ำลายกันเองกินน้ำลายตัวเองนะไม่เข้าท่าเลยนะพูดแล้วก็น่าขยะขยะนี่มันกินน้ำลายตัวเองฉะนั้นจึงบอกว่าลิ้นคนเราเนี่ยมันเหมือนกับลิ้นสุนัขบ้านนะ บางคนก็ขอประทานโทษไปซื้อกระดูกหมูมานะเอามาต้มมาผัดแมรู้สึกว่ามันเค็มๆไอ้เนื้อติดกระดูกนี่มันอร่อยเหลือเกินนะแฮะอยู่นั่นแหละกัดอยู่นั่นและเกลิ้งร้อมอยู่นั่นนะอ่านี่อันนี้แหละ เ, เรียกว่ากินน้ํำลายตัวเองนะกินน้ําลายตัวเองหรือบางครั้งก็เราก็กินไอ้เนื้อที่มันมันเหนียวเกินไปมันย่อยไม่ไหวแล้วนะ่ะนี่ก็ถือว่ากินน้ําลายตัวเอง เรียกว่าเนื้อหมดไปชิ้นหนึ่งในข้าวหมดไปสองจานนะมันเหนียวจะดางอนเคียเ้ยวไม่ออกนี่อันนี้ก็อาหารอย่างนี้ถือว่าทำให้อายุไม่ยืนนะทำให้อายุสั้นเพราะมันย่อยยากนะเป็นพิษเป็นภัยแกล่ลำไส้แ ก, ะกะ่กระเพาะมาประเภทที่ที่ห้าก็คือร่างกายตาหูจมูกลิ้นทีนี้ก็มากายกายของร่างกายของคนเราเขาเปียกเหมือนกับสุนัขป่า นะลิ้นเปียกเหมือนสุนัขบ้านกายเปรียกเหมือนสุนัขป่าธรรมดาสุนัขป่าเนี่ยเป็นสุนัขจิ้งจอกหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีปกติอยู่อย่างหนึ่งขั้นผู้ฟังคือชอบนอนตามไม่หลุมป่าช้าผีดิบซากศพที่เข า, เาไปฝังไว้กำกลางลงกลางป่าอจะผีตายทั้งกลมหรือผีอะไรก็แล้วแต่มันชอบไปนอนในในหลุมป่าช้าก็แล้วกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ไอ้ลมปา่าช้าผีดิบนันะมันมีไออุ่นนะมันมีไออุ่นนะคนเราเหมือนกันร่างกายก็เหมือนกับสุนัขกินจอกชอบนอนกับผีดิบขอประทานโทษชอบนอนเบียดกันนะเบียดกันกอดกันรัดกันนะถือว่ามันอุ่นนะถือว่ามันอุ่นอันนี้ก็ทำไปด้วยอำนาจกิเลส ต, ตัณหานี่ไปนึกว่ามันอุ่นก็คือนั่นแหละขอให้รู้ว่าเรานอนกอดกับผีดิบขอประทานโทษ เนี่ยไปนึกว่านั่นแหละมันมันเป็นความดีแต่จริงๆเป็นผีดิบด้วยกันทั้งคู่เร า, ห ล, เรารรหลงเราไม่รู้จริงนะหลงเราแล้วไม่รู้จริงแล้วก็นั่นสังเกต ด, ดูอ้าถ้าเกิดคนนั้นนะเกิดเป็นโรคผุพองเต็มตัวไปหมดเนี่ยเป็นน้ําเลือดน้ํําน้าเหลือ ง, น, น, องน้ํำนองเนี่ยเราก็กอดไม่ได้โทรเพืไม่ได้เราต้องหลีกออกลายวําไมไม่กอดนะถ้ามาเกิดดีแล้วก็เราก็ไม่กล้าเห็นไหมยิ่งตายแล้วนี่เราไม่กล้าเข้าไปเลยนี่เรากลัวเห็นไหม ฉะนั้นนี่แหละชัดเลยว่านี่แหละคือผีเด็กนะเป็นผีเด็กฉะนั้นร่างกายของเราจึงเปรียบเหมือนกับสุนนักยิงจอกหรือสุนนัก่าทีนี้ประการสุดท้ายก็คือใจนะใจของคนเรานั้นเขาเปียกเหมือนกับลิงอันนี้ท่านเห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดเลยคือที่ว่าเปียกเหมือนลิงก็ที่บอกเลยว่าใจมันไม่อยู่นิ่งมันไม่หยุดนิ่งคิดทั้งวี่ทั้งวันคิดซุ่งส่านอยู่ตลอดเวลา คิดอยากได้โน่นคิดอยากได้นี่คิดอยากมีโน่นคิดอยากมีนี่อ้ยคิดพองเฟ้เป็นวิมานในอากาศหรือเป็นวิมานบนกองทรายชายทะเลพอน้ําทะเลขึ้นมากดซัดกองทรายนั้นทังไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่เหมือนกันไอความคิดเช่นนี้พอลุกแล้วมันก็หายไปเลยนะไม่เป็นจริงอย่างที่ตัวเองได้คิดสักครั้งหนึ่งว่างั้นเถอะยากโดยมากคนเราเนี่ยไม่ได้ตามที่ตนตั้งนาไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้สมหวังเนี่ยมันจึงเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษ ฉะนั้นจิตใจของพวกเราจริงเปลียนเหมือนกับลิงนะสังเกตดูท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าใครไปเที่ยวสวนสัตว์ในที่ต่งางๆ เ, เนี่ยคนเราในชอบไปดูที่ลิงเพราะว่าลิงมันแสดงอาการต่างๆนาน า, นาให้คนเราดูเราชอบชอบใจในที่เราชอบใจเพราะเพราะเขาบอกว่าลิงเนี่ยมันเป็นบนรรพบุรุษของเราฮะมันเป็นบนรรพบุรุษของเรามันมีนิสัยคล้ายๆเราคล้ายๆคนอนะ่าเพราะมันก็เลยรู้ใจเรา พอเราไปดูมันมันก็ทำํำทะลึงจึงตั ง, ตงแสดงอะไรให้ดูต่างๆนานาเราชอบนะเราชอบนะบางคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้อายคำมิดคำเลีอ่าแต่ว่าชำเลืองดูน้อยอชอบเนี่ยเป็นอย่างนั้นดันั้นใจของคนเรามันเปรียบเหมือนลิงบางคนจะบอกว่าแหมคนนี้พูดลิงหลับนะไอ้จริงๆแล้วถ้าใครพูดลิงหลับได้ก็เก่งฮะควรจะยกย่องไอ้คนนะั้นะจริงๆแล้วมันพูดไม่ได้นะไอ้คนพูดลิงหลับก็คือว่าพูดอลไรก็ฟังเล่นว่างั้นเถอะ ละเมอไปเลยบางคนฟังคนพูดเก่งอ้าปากบอกไปเลย อ, อย่างนี้ก็มีนี่แหละประเภทไอ้คนพูดลิงหลับฉะนั้นนี่แหละใจเปรียกเหมือนลิงอา้าวนี่อาตมาก็ได้เปรียบเทียบอ่าว่าเปรียบเทียบกับกินสี่หกเหมือนกับสัตว์ทั้งหกประเภทตาเปรียกเหมือนงูหูเปียกเหมือนกับจระเข้จมูกเปียกเหมือนกับนกอ่าลิ้นเปียกเหมือนกับสุนัขบ้านอ่ากายเปียกเหมือนกับสุนัขป่า ใจเสกเหมือนลิงท่านผู้ฟังลองนดูเราเอาสัตว์ทั้งหกตัวเนี่ยเอาเชือกหกเส้นปลายเชือกหกเส้นนั้นผูกไว้ที่สัตว์ทั้งหกตัวนะผูกเอาไว้แล้วอีกปลายข้างหนึ่งเราก็ไปผูกไว้กับอท่อนไม้สักท่อนหนึ่งนะท่อนไม้สักท่อนหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยสัตว์ทั้งหกตัวนั้นพร้อมๆกันท่านลองนึกในใจดีว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในขณะนั้นนะปัญหาอะไรจะเกิดขึ้น เราเอาเชือกปลายข้างหนึ่งผูกสัตว์หกตัวไว้อีปลายข้างหนึ่งนั้นเราก็ผูกไว้กับขอนไม้หรือท่อนไม้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าความสับสนโอลมานก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นสับสนโอลมานอย่างไรในตาที่เปรีเหมือนงูงูมันก็จะพาอขอนไม้อันนั้นเข้าไปในที่รกเข้าไปในโพรงเข้าไปในจอมปลวก ไอ้จอระเขมันก็จะพาขอนไม้นั้นลงน้ำน่ะนกมันก็จะพาขอนไม้นั้นบินขึ้นไปในกลางอากาศอ่ะแล้วก็สุนัขบ้านก็จะพาขอนไม้เข้าบ้านสุนัขป่าก็จะพาขอนไม้เข้าปา่าลิงก็จะพาขอนไม้นั้นขึ้นต้นไม้มันก็ลึมกันไปดึงกันมาให้ยึ่งไปหมดเลยนี่แหละคนเราเหมือนกันถ้าไม่รู้จักสำํำรวจตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สิ่งนี้มันก็ดึงเราไป เดิงเราตายตาอยากได้อะไรก็ทําตามนั้นตามเบอใจหูอยากฟังอะไรก็ไปจมูกอยากได้เป็นยังไงก็ไปลิ้นอยากได้รสยังไงก็ไปบางครั้งโน่นไปกินอาหารโอที่ไกลๆที่บางแสนบ้างที่นนทบุรีบ้างสมุทรการบ้างที่เขาว่าดีจนกระทั่งบางครั้งเกิดรถชนกันก็มีนะี่เพราะเราทําตามความปรารถนาตามลิ้นทําตามตาเห็นทําตามหูฟังทําตามอจมูก อยากได้กลิ่นทาตามลิ้นที่อยากได้รถผลที่สุดก็ตายนะนี่ไอทางฉะนั้นไอความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละฉะนั้นเราก็จะต้องสารวมระวังนะรู้จักสารวมระวังอย่าให้เกิดความยินดีอย่าให้เกิดความยินร้ายนะอย่าอยาอย่าพอใจแล้วก็อย่าเสียใจคือทำใจให้เป็นกลางกลาโดยที่เราเข้าใจว่า โรูคเสียงกลิ่นรสนั้นโรคเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นมันไม่มีมันไม่จีรังยั่งยืนนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งนะอย่าไปหลงมันนะถ้าเรามองอย่างนี้ได้เราก็ยังมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจนะนี่ก็พูดเฉพาะในข้อแรกจะยืดยาวเลยก็อันนี้ก็เกินภูมิหลักของนักธรรมชั้นตรีแต่ว่าพูดให้เป็นประโยชน์แก่ท่านสาวุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอีกด้วย มาในข้อที่สองที่บอกว่าโภชเนมัตัญยุตานะโภชเนมัตัญยุตาก็คือว่าให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนะบริโภคอาหารอาหารย่อมเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะย่อมเป็นเครื่องชูชีวิตให้ดำรงอยู่รวงความก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ได้เพราะอาหารดังบาลีว่าสัพเทส ต, ตาอาหารติกานะว่าสัต ทั้งปวงนั้นย่อมดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าขาดอาหารก็ต้องตายแต่ว่าก า, การกินอาหารการบริโภคอาหารนั้นเราต้องรู้จักประมาณคือถ้าหากว่าบริโภคมากเกินไปก็เกิดความอึดอัดทำให้เกลียดคานทำให้ง่วงนอนไม่เป็นอันที่จะประกอบกิจการงานต่างๆตามหน้าที่ของตนหากบริโภคอาหารน้อยเกินไปก็เกิดความอิดโรยทาให้โผเขมีกาลังน้อยอาจจะเกิดทุก อาจจะเกิดโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียนตามมาก็ได้ผลที่สุดก็ทำให้ทำการงานไม่ได้เสียในหน้าที่ของตนนอกจากนี้แล้วก็คือว่าการที่เราบริโภคอาหารที่ที่มากเกินไปน้อยเกินไปนั้นก็มีแต่ทุกมีแต่โทษฉะนั้นเราต้องรู้จักประมาณก็คือว่าพอดีนะพอดีให้การบริโภคพอดีนั่นแหละดีก็คือว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ถ้าเราทําได้อย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากไอ้โรคภัยเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับลําไส้ก็จะเบาบางลงไปนคนเราโดยมากตามที่แพทย์เขาทําได้ถิตไว้ก็คือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารมากเพราะว่าช่องปากของเรานี่รู้สึกมว่ารับอาหารสารพัดนะรับสารพัดมาพิจารณาแล้วบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมือนกัน ว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างกระเพาะของเรามาเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นของอ่อนๆเนี่ยแต่ว่าทนทานเหลือเกินนะเรากินเข้าไปเถอะไปเอาหวานมันเค็มเผ็ดแสบร้อนสารพัดรสเลยอืาเอาไปลงไว้ในท้องในกระเพาะเนี่ยมันน่าจะกัดกระเพาะบางครั้งก็เผ็ดบางคนได้กินเผ็ดมากแหมกระเพาะมันก็หน้าพังบางคนกินเค็มมากกระเพาะมันก็หน้าพังออบางคนก็เปรี้ยวจัดกระเพาะมันก็หน่าพังนี่แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร นี่แสดง ว, ว่าธรรมชาติในแนรู้สึกว่าอสร้างมาให้อย่างดีมากหรือว่าอะไรควรจะสร้างอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่อเราไม่ได้นึกไม่ได้คิดกันฉะนั้นอันนี้แหละถ้าหากว่าเราบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็เกิดเกิดประโยชน์กับกระเพาะของเรามากแต่ถ้าบริโภคในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เ <c oughs> ช่นว่าอาหารที่มันเน่ามันบูดนะหรือว่า ของเมินเมาพวกยาเสพติด ต, ต่างๆพวกสุราต่างๆพวกเครื่องยาดองของเมาอันนี้มันทำลายนะมันทำลายกระเพาะของเรานั้นอ า, อาจจะทำให้กระเพาะของเราปิคนปิการนะอาจจะเป็นแผลในกระเพาะนะคนเป็นโรค ก, กระเพาะจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะมันพอรมาณมากนะบางครั้งมันปวดจีๆขึ้นมาเลยนี่อาหารแข็งเกินไปก็ลาบากนะมันย่อยลาบาก อก็ต้องทานอาหา่อนอ่อนๆแล้วก็ทานบ่อยๆด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะยิ่งไอของมึนเมาบางอย่างนี่มันทําลายกระเพาะมากบางครั้งถึงกับต้องตัดกระเพาะทิ้งก็มี <c oughs> อันนี้ก็ยิ่งหนักใหญ่เลยนะยิ่งหนักใหญ่เลยดังนั้นอันนี้ได้เคยไปดูตำโรงพยาบาลเขามีการผ่าตัดกันฉะนั้นกระเพาะของผู้ที่ติดสุราหรือติดบุหรีน่นี่จะเห็นว่าเป็นกระเพาะที่สกรปรกมาก ศกกระปรอกมากเลยเป็นกระเพาะที่สีดําคล้ําเขียวคล้ําหรือว่าเป็นแดงคล้ําเป็นชําช้ำจุดจดไปหมดเลยอหมอก็บอกว่านี่ยเป็นกระเพาะของคนที่ติดสุรามากติดบุหรี่มากเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอ้โรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากเช่นว่าเป็นโรคมะเร็งอ่าโรคเกิดการท่ออุดตันทําลําไส้ําเส้นเลือดต่างๆอ้วนมีมากมายนี่ฉะนั้นถ้าหากว่าเราเว้นสิ่งเหล่านี้จะได้ก็เท่ากับว่า เรานั้นต่ออายุให้กับตัวเรานะต่ออายุให้กับตัวเรานะคนที่รู้จักกินอาหารในทางที่ดีมีประโยชน์แล้วก็กินแต่พอเหมาะพอควรไม่มากไม่น้อยเนี่ยจะทําให้มีสมรรถภาพทําให้มีกําลังร่างกายดีนะให้มีกําลังร่างกายดีให้มีพลังจิตดีถ้าพลังจิตดีพลังร่างกายดีแน่นอนที่สุดมันก็ควรแก่การงานนะควรแก่การประพฤติทำปฏิบัติธรรม อันนี้นับว่าถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐพระพุทธองค์จึงได้กล่าวไว้ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างประเสริฐหรือเป็นลาภเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นโชคดีอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างยิ่งคนเราโดยมากมีโรคกันทั้งนั้นต่างแต่ว่าจะมากหรืน้อยโดยมากกับบ่นกันกระปดกแปดเลือกเกินจะลุกจะนั่งอดโอยกันนั้น บางคนก็ทรมานเป็นเดือนเป็นปีบางคนก็ห้าปีสิบปีโอ้โหยิ่งลําบากใหญ่เลยนะฉะนั้นอันนี้แหละขอให้เราทุกคนจงเห็นความสําคัญในการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอนะเราเคยได้ฟังเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดอนชูชกเป็นไงือนะชูชกนั่นไม่เคยได้บริโภคอาหารดีๆทูปเจ้าอา่า ผัาเจ้าไปินเลี้ยงหน่อยเดียวนะเรียกว่าเจ้าทรงสมชายเลี้ยง ด, ดีหน่อยเดียวแค่นั้นแหละโอ้โหติดอกติดใจนี่ติดอกติดใจถึงกับกินอย่างเรียกว่าไม่รู้จักบรญยะบัญญัติซะบ้างเต็มที่เลยผลที่สุดก็ท้องแตกใจนี่ทําให้อึดตัดจุกตายอันนี้ก็เคยมีเยอะนะเคยมีเยอะบางคนได้กินอาหารไปจุกตายแน่นตายนะีอันนี้ก็ฝากทำทั้งหลายไม่เป็นข้อคิดนะแต่บางคนก็เป็นโรคขาดแคลนอาหาร เมืองไทยเนี่ยสองสองอย่างนะไอ้ที่เป็นโรคไม่มีอาหารจะกินก็มีนะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคขาดแทนอาหารทําให้เกิดโรคภยยัยไข้เจ็บเดือดเดือดมากไม่มีสติกําลังวังชาดูแล้วก็น่าสงสารไอ้ที่มีก็มีซะเกินไปกินซะเกินไปอีกนั่นแหละรู้สึกไอ้ที่พอดีเลยมันไม่ค่อยมีนะอันนี้มันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนอีกเหมือนกันฉะนั้นขอให้เรานั้น <c oughs> ไม่เห็นความสําคัญในข้อนี้ดัง ที่เขาได้ทางแพทย์เขาก็ได้บอกไปว่าคนที่จะมีอายุยืนได้นั้นหนึ่งให้ประพ็ติตามหลัก5อนะ5อออที่หนึ่งก็คืออาหารนะต้องกินอาหารที่ดีกินไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็กินอาหารที่ไม่ย่อยยากกินอาหารที่ย่อยง่ายๆไอ้ที่มัน มีกระดูกมากหรือมันเป็นเส้นเอ็นมากก็ต้องเว้นนะอยา่านะนะไปกินมันนะไปกินมันหรือบางครั้งไอ้ที่เรากินแกงสับนกอะไรเนี่ยบางครั้งมันกระดูกมากกระดูกกบกระดูกเขียดนี่แหมอันนี้มันไปทิ่มไปตามกระเพาะของเรามันย่อยไม่ออกออันนี้ก็ถือว่ามีทุกข์มีโทษมากนะอาหารที่มันบูดมันเน่าก็าต้องงดเว้นไอ้ที่มันเครื่องผักดองของเมาสูรามราีไรเครื่องดองต่างๆนี่ถือว่า เป็นสิ่งที่ทําลายกระเพาะทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้ก็ไม่ดีก็ควรควรเว้นฉะนั้นให้เรารู้จักนะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องอาหารออที่หนึ่งคืออาหารออที่สองก็คือเรียกว่าอากาศต้องอยู่ในอากาศดีนะถ้าเราอุดอู้อากาศไม่ดีทายเทไม่สะดวกก็ทําให้เรานี่อายุไม่ยืนอีกเหมือนกันนะทําให้อายุไม่ยืนเอหายใจไม่ค่อยสะดวกนะห้องมันอับเกินไป หน้าต่างประ ต, ตูหน้าต่างไม่มีทางระบายลมอย่างนี้ก็ลาบากนะยิ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่นะ่อยู่ในที่อากาศไม่ดีก็เดือดร้อนมากนะเดือดร้อนมากจะต้องอยู่ในที่อากาศที่ดีรายการที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องอุจจาระนะเราต้องอุจจาระให้เป็นเวลาอย่างน้อยก็วันละสองเวลาเช้าตอนเย็ น, นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะถ้าหากว่าเรามีการขับถ่ายไม่ ไม่เป็นปกติอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้อายุสั้นนะทําให้อายุสั้นเพราะว่าคนที่ขับถ่ายไม่เป็นปกตินั้นให้สังเกตดูเถอะก็มักจะมีอะไรผิดปกติแล้วก็ทําให้เกิดการเปิดหัวตัวร้อนนะเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจรู้สึกมันอึดอัดได้หมดนะเพราะว่าเราเอาเข้าไปเข้าไปแล้วมันไม่ออกเลยอย่างนี้รู้สึกว่าอึดอัดมากลําบากนะไอออกสักอย่างเดียวไม่เข้าเลยก็ลําบากอีกทั้งแหละฉะนั้น จะเอาเข้าหรือจะเอาออกนั้นต้องให้พอเหมาะพอควรกันนะให้พอดีกันนะเข้าไม่ออกก็ลําบากออกแล้วไม่เข้าเลยก็ลําบากฉะนั้นจะเข้าหรือจะออกก็ต้องให้พอเหมาะพอควรกันฉะนั้นเรื่องอุจจาระการขับถ่ายนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เราไม่อายุยืนก็ได้และทําให้อายุยืนก็ได้ฉะนั้นถ้าเรามีการฝึกนิสัยให้ขับถ่ายเป็นเวลาแน่นอนที่สุดก็จะทําให้เราอายุยืน รายการที่สี่ก็คือการออกกําลังนะเราจะต้องมีการออกกําลังนะตอนเช้าเช้ามืดเนี่ยตื่นมาก็ออกกำลังบ้างนะการออกกําลังนี่เพีงจะเดินก็ไดนะ้เดินหรือวิ่งช้าๆ อ, อากาศดีๆหรือเล่นกายบริหารอนะอย่างที่อ่าทางสถ า, สถานีวิทยุทางแห่งประเทศไทยเขาประกาศตอนเช้ามดืดนะอันนั้นก็ดีมากนะออกกําลัง แต่โดยวิธีการใดก็แล้วแต่ออกกําลังให้ถูกวิธีอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะทําให้มีอายุยืนถ้าเราไม่ออกกําลังเลยเนี่รู้สึกว่าจะทําให้เรานั้นเกิดเส้นเลื่อนอุดตันเกิดเป็นโรคหัวใจนะอาจจะทําให้เป็นโรคหัวใจวายอะไรเนี่ยรู้สึกหมอบอกว่ามีมากฉะนั้นเพราะคนไทยเราไม่ค่อยชอบออกกําลังฉะนั้นคนที่ยิ่งกําลังมากยิ่งออกกําลังบ่อยๆวันละสักสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงนี่หมอบอกว่า ถืว่าได้ต่ออายุให้ยืนยาวอีกมากนะข้อสุดท้ายก็คืออารมณ์นะอารมณ์ของคนเราอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละให้เราต้องระวังนะต้องสำรวมคืออย่าให้อารมณ์ร้ายมาเกิดขึ้นกับจิตใจของเราถ้าคนเรายิ่งอยิ่งเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายโธ่โมโหง่ายนั่นแหละคือเป็นเหตุที่ทําให้อายุสั้น แต่คนที่มีอารมณ์ดีมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้คนนั้นอายุยืดอะนี่ก็เป็นหลักง่ายๆให้เราไปพูดปฏิบัติห้าออนนะอาหารอากาศอุจจาระแล้วก็ออกกำลังแล้วก็อ า, ารมณ์นี่ถ้าเราทําได้ก็ดีนะนี่เป็นเรื่องของอาหารนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคไม่มากไม่น้อยเกินไปก็จะทาให้ร่างกายสดใส นะมีพละกำลังแข็งแรงไม่เป็นบ่อไม่เป็นรังแห่งโรคนะก็จะมีแต่ความสดชื่นมีแต่ความสบายแระการที่สามชาคริญานุโยกประกอบความเพียร น, นะประกอบความเพียรโดยที่เรียกว่าไม่เห็นแกนอนมากนะักนะไม่เห็นแกนอนในข้อนี้ก็หมายความว่าในวันหนึ่งหนึ่งั้งกลางวันและก็กลางคืนนั้น ก็ให้เรานั้นประกอบความเพียรให้มากปรนะะกอบความเพียรด้วยการเดินก็ดีนั่งก็ดีนะหรือว่ายืนเดินนั่งนอนด้วยอวิยาบสีนะ่พยายามทําจิตใจของเราให้หมดจดจากเครื่องกั้นจิตคือนิวรห่านะนิวรห่านี่แหละเป็นตัวที่ปิดกั้นไม่ให้เรานั้นบรรลุคุณงามความดีนะปิดกั้นไม่ให้เราบรรลุคุณงามความดีตั้งแต่เรียกว่า ตามมาชันทะความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพยาบาทความคิดอาฆาตมาตรายแล้วก็ถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนอแล้วก็อุท ธ, ธักกุกุจะความพงซ่านรำคัญใจข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ทั้งห้าอย่างนี่แหละถือว่าเป็นสิ่งที่ทวงความเจริญ เป็นสิ่งที่ปิดกั้นจิตใจของเราไม่ให้บรรลุคุณงามความดีไม่ให้ทำอะไรสาเร็จตามมุ่งมา่ตั้นาได้ฉะนั้นเราจะต้องประกอบความเปลี่ยนเพื่อทำลายตัวนิวรณห้าให้เบาบางลงไปหรือให้หมดไปเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจจิตของเรานี่ยจะปลอดจากนิวรณห้าแล้วก็สบายนะสบายมาก เป็นจ mean, ing, geois, mismos, ิตที่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิเป็นจ cream, ิตที่มีพลังเข้มแข็งนะพลังเข้มแข็งและสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริงได้อ่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้อย่างไรอ่าก็คือว่ารู้เท่าทันต่อสังขารอรู้ว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยมรู้ว่าสังขารเป็นทุกข์รู้ว่าทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนนะเรียกว่าสังขาร เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะอันนี้เรียกว่าไตร ล, ลักษณะสามประการหรืออย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะเป็นลักษณะที่เสม อ, อกันอ่าทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นอย่างนี้หมดนะเมื่อเราเมื่อเราทราบอย่างนี้แหลยก็คือว่าเราทราบตามสภาวธรรมความเป็นจริงของสังขารนั่นเองนะของสังขารนั่นเองหรือว่าอให้เรารู้ว่าร่างกายของคนเรานั้น มันไม่จรังยั่งยืนแล้วเราก็พยายามอาทําความเพียรด้วยวิยบทศียืนเดินนั่งนอนนะอยู่ตลอดเวลาเราทําได้อย่างนี้ก็จะทําให้จิตของเรานั่นผ่องใสนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงก็คือรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้วนทางให้ถึงความดับทุกนี่แหละเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงนะรู้ตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราถ้าหากว่านิวรณ์ห้ายังยังไม่มียังไม่หมดไป แน่นอนที่สุดเราก็คือว่ายังไม่รู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้มาปิดมาบางังมากั้นเราไว้นะมาปิดมาบางังเรากั้นเอาไว้ก็ทําให้เรารู้มวมัวรู้หลอกหลอกรู้ผิวผิวลูพื้นเพื่น น, นะเราก็ย่อมจะมีแต่ทุกมีแต่โทษนะฉะนั้นจึงบอกว่าให้เรา nan จะเริญด้วยอิริยาบถสี่ยืนอ่านะก็มีสติอนะเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสตินะ นี้สติอยู่ทุกเมือ่อฉะนั้นบางทีเขาจึงบอกว่าให้เรานอนแบบราชสีก็คือนอนตะแคงขวาวางเท้าเหลือมเท้ามีสติสัมปชัญญะโดยผูกใจหมายว่าจะลุกขึ้นอ่าั้นถึงที่สุดก็ลุกขึ้นแล้วก็ประกอบความเปลี่ยนเช่นนี้อีกนะสลับเปลี่ยนเวียนกันไปยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างนี่เปลี่ยนอริย บ, บด้ว ย, วยอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเราประกอบความเปลียนนะ เราประกอบความเพียรให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเมื่อเราเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าที่เราเกิดมาที่ก็นนะับว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะเมื่อเราเกิดมาเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้เราโกยยาอย่าอ ย, า, อยาหยุดแค่นั้นนะอยากินบุญเก่านะเราควรสร้างความดีต่อไปอีกสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปอีกอันนี้แน่นอนที่สุดก็จะทำให้เราน nan ก็สดแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก็ขอสรุปสั้นๆนะ ในหัวข้อว่าอัปันนกะปฏิปทานะ อ, อีกรอบหนึ่งว่าเป็นข้อที่ปฏิบัติไม่ผิดผู้ใดที่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมสามประการคือหนึ่งอินทรีย์สังวรสัมรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกเิ้นกายใจม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นโูกหูฟังเสียงจมูกมลมเิ้นลิ้นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสกนึกคิดในอารมณ์ต่าง แน่นอนที่สุดผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะประการที่สองโภชนเนมัตตัญญาตให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่มากไม่น้อยเกินไปให้รู้จักว่าอาหารเสียบูดเน่าก็ไม่ควรบริโภคเข้าไปอาหารที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นเครื่องหมักดองของมึนเมาก็งดเว้นอันนี้แหละก็จะทําให้เรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสวัสดีเป็นการต่ออายุให้กับชีวิตคนเรา ให้กับตัวเองปราการที่สามก็คือว่าให้เรานั้นเรียกว่าชาเยานุโยกก็คือว่าให้เร า, เารู้ให้เรานั้นบำเพ็ญเพียรให้เราทำความเพียรบำเพ็ญ เ, เพียรอยากเห็นแก่นอนมากนะอย่าเห็นแก่นอนมากนะก็คือว่าให้ทำความเพียรจะเป็นการทำสมาธิหรือว่าเดินจงกรมด้วยิีบอดสี่ยืนเดินนั่งนอน หรือพูดอย่างง่ายๆในเบื้องต้นก็คือให้เราทุกคนนั้นขยันเล่าเรียนขยันศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมขยันทําหน้าที่อตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้หรือว่าขยันทํากิจการงานตามหน้าที่ของตนตนมีหน้าที่อย่างไรก็ขยันทำตามหน้าที่หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ในความเป็นพระสงฆ์องค์เลนนี่เราก็ขยันทําให้ถูกตามหน้าที่ เราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมทั้งสามประการนี้ได้ชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดนะไม่ผิดอะไรไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะไม่ผิดประเพณีนะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณีไม่ผิดตามทรรนองคลองธรรมก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นปฏิบัติไม่ผิดตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติถูก ไม่ผิดลาดเราไม่ประมาทก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พระองค์ได้ตรัสไว้ย่อให้สั้นก็คือว่าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราก็จะเกิดแต่ความสุขความเจริญเอาละอาตมาได้บรรยายทำสามประการก็คืออปรณกปฏิบัตาิมา ก, ก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลาย องประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร